อยู่วยกันเหมือนเน้อเหมือนตาเหมือนจมูกอยู่ที่แห่งเดียวกันเหมือนหนังเนอเอ็นกระดูกมันอาศัยขึ้นกันแ็ตเพว่าเสีงสมาธิปัญญาอบรมกันก็ตามเพราะว่าปัญญาและศึษอบรมสมาธิและสียก็ถูกและไตรวันบันดาลไม่เป็นปัญหาจะบรัตเมือบรรญัตมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นดีเาตน้ ล็อกผู้มีนี่มาบ่อยนี่ล็อกผู้มีนี่มาบ่อยยังไม่ใช่พระเทพาแบบนึ่นมันพัดเข้าไปเลยเงียบหมูไม่ได้ยินมีแต่ผู้รู้เบาอิ๋วอยู่ทางมันไม่นึกอะไรหรอกมันหลวงถึงที่มันไม่นึกอะไรหรอกมันก็รู้จักรู้จักแต่ว่ามันรู้มันเบาแล้วก็หยุดมันไม่ปรุง อนนเวลามันออกมาเนี่ยเวลามันเข้าทักอย่างนันออกมาก็ทักมาสั่เหมือ น, น, นเราเปิดประตูตัดเวลาออกมาก็แอดมาสั่งสมาธิแบบหนึ่งแล้วแนวสมาธิแบบนี้หมดกําลังประสบออกมาเหมือนกั น, กกนแต่เราก็ต้องผ่านต้องให้รู้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ยอมจํานวนลงสู่ใจรับเออสมาธิชั้นนี้แล้วก็ยังเกิดขึ้นแม้ พ, พระนแตกสายเราประสบได้พิจารณาใจรักให้ถนัดทีนี้ เราจะไม่สิ้นจุดยังใช่ไหมสมาธิแบบหนึ่งเห็นผีเห็นสารเห็นเทวเทวดาลดกําลังก็ถอนออกเหมือนกันสมาธิแบบนี้เพราะสมาธิเ่านี้อยู่ใต้อํานาจอ น, นิจนังางไม่ใช่ยังไม่ใช่เพราะนิพพานตายขานั้นก็ป ร, กรากฏพุทธโลกที่มีรูปเพราะเนี่ยวรูปเป็นอารมณ์นึวกว่ารูปประมตายขานั้นรูปเป็นนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายอ พระอรหรนันไม่ไดมีเม็ดจนเกินไปไม่มีเครื่องหมายสมาธิของท่านเพราะทํำในยึดมั่นในสิ่งใดในโลกท่านก็ไม่ลําบากท่านทําสมาธิสมาบัดเปลี่ยนไอเดียบทยืเยืน้นี่ยพอๆนะทําเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของท่านเจ้าเล่หบากพวกพวกรอรหันแต่พวกเราทําเพื่อคนทุกเพราะพวกเรายัางไรคน ขึ้เจริญเมตตาอย่างนี้ท่านก็เจริญเป็นธรรมเนียมเฉยเมื่อได้วางว่าเรายังละความโกรธไม่ได้เราจะเจริญเมตตาเพื่อให้ระ ง, งับความโกรธแคบรนเทาว่ า, าไม่ใช่หมายอย่างนั้นเช่นพิจนะอาอาสภะขบังกันพิจนาตามธรรมเนียมนี้เฉยไม่ได้วางว่าเรายังมีราคะอยู่หาอุบายจะดัดราคาของเราไม่ใช่หมายอย่างนั้นพวกพุดที่ท่านพ่นไปแล้วท่านทําเป็นเครื่องอยู่ของท่านและเป็นเครื่องทอดสะพานถนนรุ่นหลัง S 1> <S 1> ทุกวันเนีไม่ได้ไม่ได้เล่นทางในวิทย์ทุกวันชักลงสู่ใจรักเท่านั้นเพราะเราไม่ชักมันก็อยู่มันมันก็ลงสู่ใจรักแล้วมันอยู่ใต้อํานาจของใจรักสังคารทั้งพวงในใจโลกธาตุเกิดขึ้นแ ล, ล, ล้วไปแปรปรวนแล้วแต่ร้ายนั้นยัดเยียดอยู่สําคาญทั้งหลายทั้ ง, งที่มีใจครองแล้วไม่มีใจคลองเต็มใจโลกธาตุทั้งอดีตโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันด้วยเกิขึ้นแล้ปแปรปรวนแล้วแต่ร้ายลักษณะที่มีสม่วนกันแก่สํงขารทั้งพวงเรียยใตรลักษณะ แกเปลนสามอย่างหนึ่งอ น, นิจจตาความมันของไม่เที่ยงสองตุกาตาความเป็นทุกข์สามอนัตตาความมันของไม่ใช่ต น, นธรรมนิยามมาตาก็ว่าสัตทั้งหลายมาหลงอันนี้แ่ะถ้าสทั้งหลายไม่ลงอันนี้สัตว์ทั้งหลายก็ข้ามโลกโลกมาเที่ยงโลกเป็นทุกข์โลกเป็นอนัตตาอาดีตอนาคตปัจจุบันที่ต้องพูดเนีคืออะไร คือใจรักที่ต้องไปแล้วอนาคตคืออะไรคือตจรักที่ยังมาถึงปัจจุบันคืออะไรคือตจรักที่กําลังเป็นอยู่นั่นนๆๆนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละตัวศีลนั่นแหละตัวสมาธินั่นแหละตัวปัญญากลมกลืนกันอยู่เมื่ออะไเห็นสังขารนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั่นย่อมหน่ายในทุกนั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นแหละทางแห่งวิสีวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิกลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนั่ ลมเข้าทั้งหนึ่งลมหายใจเข้าั้งหนึ่งเห็นรอบโลกแล้วเอเห็นอันนี้จังชัดเห็นความเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้แห่งลมเห็นความแปรปวนหาระหว่างไม่ได้แห่งลมเห็นความดับไปหาระหว่างไม่ได้แห่งลมเข้าลมออกเอเห็นใจล็อกล็อ ก, ก, ก, ก, กล็กชัด มีสติอยู่ในที่นั่นสติกับปัญญาก็คือตัวสินและสมาธิปัญญาอยู่ในตัวแล้ว น, นทําเป็นมีอุปการะสองมากมีอุปการะมากสองอย่างสติความในื่อลุกได้ทำให้ชันยะความรู้ตัวเมื่อสติรลืยุกได้ตอนไหนๆความรู้ตนนัว ต, ตอนนั้นนั่นก็สวมกันเข้าเป็นเชื่อกสองเกลียวทำอุปการละมากสองอย่างกรรมฐานทุกกรรมฐาน ก็เป็นเมืองขึ้นของสติทั้งนั้นการปฏิบัติมักไหนๆข้อตามเป็นเมืองขึ้นของสติผลใดดก็เป็นเมืองขึ้นของสติเหมือนกันมักแปลข้อปฏิบัติทําเป็นที่พึ่งของตนสติจาการที่ทําละคำที่พูดแล้วแม่นานแล ปัญญารอบรูในกองทั้งขางตามเป็นจริงอย่างไรนาทะกะะทัะธรรครูทําธรรมที่พึ่งสิบอย่างหนึ่งศีลลักขากายวาจาให้แอบล้อเนี่ยปัจจุบันสอ่อความละอายความละอายนีที่ความละอา ย, าอา ย, าอายต่อบาปเนี่ยปัจจุบันตะปความต่อบาความกลัวต่อบาปัจจุบัน พาหูสัจจะความมงคลได้ยินในความมามากและจำทรงทำาินาิานวิทยามากกันฑายามิตรตาถูกนะเขาเป็นผู้มีเพื่อนดีงาเพราะว่าเจา้าสถารปัวง่ายสอนง่ายกิ่งกรณีเยสุทธกตาความขยันเอาใจใส่ในจิตทุระของเพื่อนที่มีสมาู ลม เ, เข้าข้างหนึ่งคบพระใจพี่ดวกแล้วถ้าจะขยายออกถ้าไม่ขยายตัวย่นลงมาครับมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาด้วยมีทั้งไตรสิกขาด้วยนะใจไปลว่าสามที่ขาแปลว่าสขาิขาจึงความกว้างกว่าทีข้าบวชเขาว่าที่ข า, นะมามหมายความเอาหมายทั้งศีลสมาธิปัญญารวมกันเป็นเสี้ยวสามเสี้ยวอยู่ทีนั้นเขาว่าสิ่ขา คำว่าสิกขาบทแยกเกี่ยวออกเป็นบทๆเพื่อให้ผู้จัดศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งกิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งสามอันนี้รวมกันลงมาคราดเดียวในปัุบันที่กำลังเพ่งกรรมฐานอยู่นั่นเอง ถามใจละอย่างละอย่างแล้วเอามาเพ่งแล้วก็ส่งต่อพระนิพพานเนี่ยมดเช่นพุทโธคําเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานได้เหมือนกันพุทโธสอนหละชั่วทําดีพุทโธสรงไม้ซึ่งละละชั่วทําดีธโมทรงซึ่งไม้ละชั่วทําดีสังโฆไปรแปลว่าปฏิบัติละชั่วทําดีพุทโธละชั่วทําดีในชั้นพระสุ ว, วันณสกทาคามีานาคามีราพระรหารพระทหารเรียนพุทโธจบ พุทโธทรงไม่ซึ่งคำอันไม่มีพุโทโธแปลว่ารู้เท่าอันไม่มีกิเลสมดแล้วพ้นไปแล้วธโมทรงไม่ซึ่งอันไม่มีกิเลสแล้วสังโฆแปลว่าปฏิบัติถึงที่ไม่มีกิเลสแล้วนะเรียก ว, ว่าพุทโธธโสมสังโฆของพระราห์พุทโธธโสมสังโฆของพระโสดาบันเออไม่หลงทางแล้ว พุทโธแปลว่าพุทโธไม่หลงทางทำโมกแปลว่าสองไม้ซึ่งไม่หลงทางสังโฆแปลว่าปฏิบัติเพื่อไม่หลงทางของพระโสุวรรณสันติที่โกของพระโสดวรรณคือรักษาญาติถิถีกิจฉาสีรักษาปรามาต์เห็นชัดด้วยตนเองสันติทติโกของพระโสุวรรณสันติทติโกของพระสกทาคามีเขารู้ว่าเราเบากว่าพระสดวรรณ ตอนที่จะโกของพระนาคาเมียก็รู้ว่ากิเลสของเรามีน้อยกว่าพระสกทาคามีพุทธโธของพระรามก็เข้าใจว่ามีญาณธรรยุทธ์เราเหนือไปแล้วเหนือพระสวัสราวันสกทาคามีนาคาเมียไปแล้วพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งปวงแล้วพุทธโธ ท, ทรงไม่ถึงความพ้นทุกข์ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ก็ได้พ้นแล้วบริบูรณ์แล้ว ทำโมคำเดยวกับมืกันทำชั้นพระสวรันทำชั้นพระรัตถานทำชั้นพระนาคามีทาชั้นพระหลานส่วนโลกียาเอามาพูดมันยุ่งเหยิงพราะพี่คอสงมอบวาระพุทธศาสนาก็หวังเพื่อโลกุตระ แต่ไม่ประมาทโลกีย์ีวามินทมาสเสนาสนับและเพศที่ได้มาในทางที่อบถ้าเรามุ่งปฏิบัติเพื่อเป็นโลกุตระมันสิ่งของเรานั้นก็กลายเป็นเครื่องมำรุงโลกุตระไปถ้าเราหวังเพื่อว่าจะเลี้ยงชีวิตเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่อง บริขานสี่เรื่องชีวิตตามธรรมดาเราเลยเอะมันขึ้นอยู่กับเจ ต, ตนาเราส่วนเจ ต, ตนานี่ไม่มีท่านผู้ใดจะเป็นพยานได้ต้เอาต น, น, น, นเองเป็นพยานเพราะถ้าเอาตนเองเป็นพยานนัดที่โรเกแล้วหันามอตนพูดจริงตามคําของตนหรือไม่เจ ต, ตนาของตนเป็นอย่างนั้นหรือไม่ อันนี้ก็เอาตอนเป็นผู้ตักขีนเอาถ้าตนโกหกตนก็ต้องรู้ว่าคนตนโตหกโก ห, ก, โ ก, หกอยู่อันนี้ก็ไม่มีความลับตนไม่โกหกก็รู้ว่าตนไม่โกหกอันนี้ไม่ใช่มันก็ไม่มีความรับหรือรับเพราใจมันเป็นผูร้รู้ทีนี่ เอาพักไปพักก็ยังมันจะขำไปอืมไปจัดเล้วงหรือจะจัดแล้วโอ้โอเคเลยถ้าถ้าอย่างนั้นไปหาสงนั่นเนอะวัตถุสมูทสังโคเนอะห้องทายห้อง ถ, า ย, องถายบอกแล้วนะห้องถายเวลาบินถ้าบาดก็บอกแล้วนะเอะ อ, อ ต้องบอกห้องถ่ายต้องบอกบินถบาทต้องบอกน้าฉันน้ำใช้มันจึงถูกพระเมรไนผู้เป็นเจ้าถิ่นต้องนัดในปฏิสันฐานพเมรไ ย, ยปฏิสันฐานคารวาตาผู้ใดเคารพในปฏิสันฐานผูนนนน้นั้นจะพุทธได้พระนิพพานโดยแท้เลยนะเคารพเพื่อเพื่อในรพระุทธเจารในประธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในความศึกษาหนึ่งในควมตระหนั น, น, หนึ่ ในปฏิสันฐานเกือตอนรับป่าไสหนึ่งซึ่สุควรทำคารวะโ้ประการนี้นั่นผู้ใดทำคารวะข้อประการนี้ไม่ประมาทคารวะข้ประการนี้โทนั้นประพฤติใกล้พระนิพาพานโดยแท้เลยนะพระบรมศาลาที่คือสมเณรซึงเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสคใหยมา มาแล้วเขาอยู่เป็นฉุกเป็นฉุกทำเหล่านี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสริมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนั่งนั่งนั่เนัะงอาวสัมช ья ตนีที่อยู่กุลมัทริยะตนีตระกูลลาภมัททิยะตนีลากวัณณัมัททิยะตนีวัณณะธรรมมัททิยะตนีธรรมไปพันธุพันไม่ได้ 那有啊。哦。嘛。装起来了不？哦哦。嗯。你那四十天，你起码得五十几个床。你就把，那些，地铁、公交、公交、公交这些。你这哈呢？你这。 สาเอาะผู้ลุยโอ้้เงเออยี่ห้อน้ำเงาไหมมาอจังอออ๋อพรวัดบ้านหรือพระวัดป่าวัดป่าแน่นอนออสายสายลูกูซ่าหรือสลูกคู่มันายลูกคู hmm. ่อ oh. ๋อเจ๊บอกเห็นแบบเดียวกับคุ่ายแไบนี้น่ย อะไรยังขกละคลก็เสร็จชื่อว่าในของอว่าอินอิเนาะนเาะเนาะเิร์ก็ได้หรอิร์วยบหค่ะก็เียวจับจับปีอันยุ่งแ่พีีอ๋อมันรวงน้องงานเลยงานเนะเย็ครับ อนาฬิกาในสมณพิสั น, น, นโอ้ที่เตรีปที่เบียสตสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่เอ้าสองอาทิตย์กามาลสองปีข้างหนึ่งก็มีสามสีกิจกันก็มีเพิ่มขึ้นปีไหนมีอาทิตย์กามาลก็เพิ่มขึ้นพระพระจันเดินช้าพระอาทิตย์เดินเร็ว เพิ่มอาชีพามมาไม่มาแต่ร้งพุทธการเหมือนกันเด็ฉะนั้นแปงว่าตาตีเยตุตีเยตาตีเยุตเยตาตเย ต, ตุเ ต, ตเยสามปีต่อข้างก็มีจิติกันสองปีต่อข้างมีจิติกันถ้าว่าไม่เพิ่มอาชกพข้าเข้าและดูก็ไม่ตรงเพราะพาอาทิตย์เดินเร็วเพราะการเดินยา เราจะขยายพระอาทิตย์แทนเดินเร็วอีกเราจะให้ห้ามเบรดพระจันวรเไว้ฤดูจึงจะตรงให้อย่างนั้นาดูไม่ตรงวันคืนลวงไปไวเทนอที่ว่าเล่าเข้าใกล้ไว้ม้ย่ยทุกต้าป่วยเป็นของประจำสังขารจงพิจารณาให้จำนานตามความเป็นจริงของธรรมเทิน แต่สิ่งไหนที่เราพิจาทําทเป็นจริงแล้วทีนั้นเราก็จะไม่อะไมาสงสัยอีกสกคนร่างกายจึงไปด้วยในหน้ําฝอยลมจึงไปด้วยความเกิดแก่เก็บตายจริงไปด้วยทุกสกุลร่างกายส่วนสกุลร่ากายนั่นสอนให้รู้ตามเป็นจริงส่วนสกนลร่างกานั่น สอนอย่าให้ได้มีทุกส่วนสักคนสักกายมันทุกขอให้พระสติพระปัญญารู่ตามมันจริงสักแต่มาให้ไปยึดถือเอาเป็นเราเป็นเขาเป็นศัพเป็นบุคคลเป็นแต่ศักวารูปเป็นแต่ศักวานามเป็นแต่ศักวากายเป็นแต่ศักวาหนังหุ้มอยู่โดยรอบเป็นแต่ศักวาดินเป็นแต่ศักวานา ผลขนแรีบฝันหนังเนื้อเองกระดูเยื่อในกระดูกว่าหมหัวใจตบฟางฝืดไตปลอดไตใหญ่ไ่น้องอ่านใหม่อ่านเก่านี่เป็นต่สักวะาธาตดินไม่ใช่ธัตุบุคคลตัวตนเราเขาจะตุธาตุตวัตฐานะแยกธาตุดีสเสเลดน้องเลือกเหนือมันค้นน้ำตาเปิมันนำมุนำมุกนำลายนำไขข้อนำมูด นี่เป็นแต่สักความธาตุนาไฟที่อยังกายให้อุบุญไฟที่ยางกายให้สุดโสมไฟที่อยางกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย้อยนี่เป็นแต่สักควาธาตุไฟไม่ไไใช uhm ่สักบ <to> <to> ุคคลตัวตนเราเขาเสียแล้วธาตุลมลมพัดขึ้นบ้างบนลมพัดลงบ้างต่ําลมเนี่ยท้องลมเนี่ยไส้ลมพัดไปตามตัวลมพัดใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นแต่สักควาธาตุลมแสีแล้วไม่ใช่สักไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขา ที่ทั้งธาตุสีเนีไปรวมกันเรียกว่ารูปเรียกว่าบุคคลส่วนตนเราเขาตามสมมุติพอรู้จักความหมายกันจะเอาสมมติไปพระนิพพานด้วยก็ไม่ถูกจะเอาวิมุตต์ไปพระนิพพานด้วยก็ไม่ถูกพระนิพพานไม่มีวิมุตต์หรือจึงจะเอาไปด้วยนั่น พรพเานด้วมีสมมติหรือจังเกิลเอาไปด้วยก็คําว่าสมมติพระเนปาลเนปาลก็เป็นสมมติแต่ว่ารสชาติในพระเนปานไม่ใช่สมมติรสทำอันนั้นพระอรหันต์อาหารก็เป็นสมมติแต่ว่ารสชาติของพระอรหันต์ไม่ใช่สมมติพระสวสดาวันก็เป็นสมมติแต่รสชาติธรรมะของพระสวสดาวันไม่ใช่สมมติบาปเป็นคําชื่อแต่ว่ารสจิตรสรส ของบาปนั้นเป็นอันหนึ่งเอีงตวสาระตวปสกฏแล้วก็ บ, บาปแต่ว่าบาปมัได้อยู่ในตัวหนังสืออยู่ที่จิตใจของบุคคลผู้สร้างขึ้นบนุญตวสารุร อ, อมหมายกันแล้วผู้หญิงก็หมากันไม่ได้อยู่ในหนังสือก็อยู่ในใตใจของผู้ที่สร้างขึ้นทบุญฉลองอายุอายุมันก็ไม่เอา มันล่วงไปมันจะเอาอะไรเป็นก็จ i mean ิตใจเป็นผู้เอาต่างคนก็ต่างทําบุญฉลองอายุของใครของมันทาบุญก็ฉลองอายุของบุญของใครของมันทาบาปก็ฉลองอายุของบาปของใครของมันฉลองอยู่ที่ใจทําบุญก็มาฉลองอยู่ที่ใจทําบาปก็ฉลองใจให้เป็นทุกข์ทำบุญก็ฉลองใจให้เป็นสุขที่เราสมมติว่า ทำบุญบ้านบนเรือนเราก็สมมติหลายอันเพื่อให้ชวนให้เราทำบุญสำหรับเป็นอุบา่เราชวนทำบุญทำบุญสรองสะพานสรองบวชสรองกุทิเวหารไอท้ท่แค่พุทิเวหารก็ดีสะพานก็ดีทำบุญบ้านบ้านเขามามาแย่งเอาทำบุญที่แผ่นดินแผ่นดินก็มาแย่งเอาก็มีแต่ใกล ของผูท้ทำเท่านั้นเป็นผู้รับบาปก็ผมืองทำทำบาปใส่บ้านใส่เมืองว่านเมืองก็ไปเอาทำบาปใส่แผ่นดินแผ่นดินก็ไปเอาก็จิตใจเป็นผู้ได้รับน ะ, นะทําอะไรถือว่าทําให้ตนตนคือใจใจคือตนตามสมมุติ แต่วเมื่อมันรู้เท่าแล้วมันพูดสมมุติมันก็ไม่ติดสมมติมันพูดเรื่องไม่มุตมันก็ไม่ติดสมมติแต่มันเมื่อรู้เท่าทั้งสองอย่างแล้วพูดอดีตก็ไม่ติดอยู่ในอดีตพูดในอนาคตก็ไม่ติดอยู่ในอนาคตพูดปัจจุบันก็ไม่ติดอยู่ในปัจจุบันก็พูดตามสมมติผู้ที่รู้เท่าแล้วพ้นไปแล้วไมใช่ห่ือท่านผู้พ้นไปแล้วจะไม่ว่าโคกระเบือดินน้ํำไรลม ถ้าอางนั้นเขามันมีอะไรจะพูดกับเขาในโลกะนะหิวก็ต้องว่าหิวทําไมพระหันจะไม่รู้จักหิวเราขันเทวีบาห์ให้หิวแต่ถ้าไม่สําคัญว่าขันเทวีบาหเป็นท่านท่านเป็นขันเทวีบาห์ท่านก็พริกแล้วอยู่ในที่นั้นไม่จําเป็นจะได้พริกอีกไม่จําเป็นจะได้ระวังอีก เพราะมันไม่สงสัยว่าจะถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นบุคคลสักสักทีทำไมจึงจะได้ระวงังท่านก็ไม่ระวังสิเพราะท่านไม่ผิดพวกเราทําไม่ระวังมันก็ผิดสิผลทุนมาสนัตว์ น, นั้นท่าไมระวังอะไรเพราะความผิดไม่มีก็ไม่ระวงังอพวกเราไม่ระวังมันผิดจริง ผู้พ้นจากความผิดไปแล้วเขาไม่ระวังผู้เบื่อนายความผิดพอแล้วก็ไม่ต้องระวังความผิดอีกรูปถ้าเราไม่เห็นโทษในรูปเราก็ละไม่ได้เพราะมันอร่อยอยู่แล้วเมื่อเราไม่เห็นโทษในโกรธเราก็ละโกรธไม่ได้ถ้าเห็นโทษเต็มภูมิมันก็ละได้แล้วมืม่อเข้าไปใกล้เขาเรียกว่าละ ไดมันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดมันไม่เสียดายอยากโลบอยากโกรอยากหลงเขาเรียกว่ามันละได้ถ้ามันเสียดายอยากโลภอยากโกรธจะหลงอยู่ก็แปลว่ามันยังอร่อยพอสมควรจะจิบอยู่มันก็จไปจิบไปกินของมันเนี่ถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์มกรทิ้งเลยเส่นน้ำลายอย่างนี้เราไม่เห็นว่ามันมันไม่มีประโยชน์เราบวนทิ้งแล้วเราก็ไม่ สงสัยว่าจะเอาคืนมาอีกเราไม่เห็นเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เช่นอุจจาร ะ, ะเหมือนกันเราถ่ายเอาไปแล้วไม่สงสัยว่าจะคืนเอามาใส่ในท่องอีกนั่นปัสสาวะก็เหมือนกันนั่นหงัวไส้ก็เหมือนกันนั่นข้าว่าโรกกดหลงมันไม่มีประโยชน์การละโรบระกกรดเราหลงมันก็ไม่ได้ยากเพราะมันเห็นว่าเป็นประโยชน์โยน่ มันก็ล้ยากสิพูดเอามว้น่ะเอาที่ง่ายๆเลยเีขผ้าบัตรเบอร์ก็เหมือนกันถ้ามันเห็นว่าเป็นประโยชน์อยู่มันก็เล็นไม่ได้ถ้ามันไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์มันเสี่ยายจริงจงจริงลงไปแล้วออกมาดึงแขนมันมันก็ไม่ไปมันก็หมดไปนั่น มันก็ไม่ได้ระวังยากนะเช่นถาดไฟแดงโลเนี่ยเราเห็นชัดว่ามันเป็นของร้อนแลว้วไม่ได้ขบัคืนว่ามันเป็นของเย็นที่เราก็ไม่เสียดายก็ไปจับมันนั่นเราก็ไม่ได้ระวังยากจะไปจับมัน เรื่องช่วยผมบ้างบางทีผมจะเวิ่งไปจับไฟมันก็ไม่ได้บอกไว้าไงเพราะคว่าไฟมันก็รู้ว่ารู้จักว่าเป็นของร้อนแล้วคําว่าลมมันก็รู้จักว่าเป็นของพัดมาแล้วคําว่าน้า ม, มันก็รู้จักว่ามันสูงทราบแล้วคําว่าดินก็รู้จักว่ามันเป็นของแข็งแล้วตรงนี้มันไม่สงสัยในธาตุ ไฟมันเป็นธาตุร้อนกิลเลสก็ไฟกิลเลสยังร้อนกว่าไฟอีกนี่ถ้ากิลเลสยังร้อนกว่าไฟนี่โรคปวดหลงยังร้อนกว่าไฟนี่เราจะกลัวไฟนอกมากกว่าใครกิลเลสทีนี่สมควรแล้วหรือทีนี่นี่ข้อหนึ่งนี่ ถ้าว่ารู้ว่าไฟกิเลดร อ, อนกว่าไฟธรรมดาอย่างนี้เราจะไกลัวแต่ไฟธรรมดาจะถูกไหมล่ะที่นี่นั่นพ่อนี่เป็นหน้าที่จะถามเราเราเกิดมานี่ เราพบสุขอะไรบ้างหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรสี่อะไรเอา้าพบสุขจุใจแล้วหรื อ, อยังหิวเราต้องการหิวไหมเราก็ไม่ต้องการเดี๋ยวเรามาจุใจสกปรกในร่างกายเราชอบไหม เราก็ไม่ชอบนี่มันไม่มีสิ่งที่กูุใจเราแก่เราชอบไม่ชอบเราชอบนุมๆอยู่แต่ว่าหนุ่มของเรานะ่ะเวลานุ่มอยู่ล้วอุจระออกเหม็นไหมนะั่หรือหอมนะั่ก็ไม่จุใจเราอีกละ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 ทานอาหารลงไปเราก็ให้คะแนนว่ า, อ, าอร่อยอช่ไหมน้ำก็มาทางน้ำอันนั้นก็ อ, อร่อยดีเด๋้าเขาออกมาทางเหลือใช่ไออกมาทางน้ำลายออกมาทางปัสสาวะใช่ไก็รังเกียดใช่แล้ว นั่นสิ่งที่เราชอบกับต้นของรังเกียดเลยอาหารอร่อยแท้อร่อยแท้มีรสชาติดีนักแต่พอ24ชั่วโมงก็ถ่ายออกมาเชื้อแล้ว ไม่ให้คะแนนกันละทีนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ทีนี้อุจจาระนาเกียเรียกเกินสิ่งที่เราชอบ12ศ ส, ส, งส่งโมงท่านละ แล้วก็มาลังเกียจที่ไงเพราะมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นจึงลังเกียจที่นี่เมื่อลังเกียจก็เรียกว่าไม่สมประสงค์ใช่ไหมง่าย น, นั่งนานก็เหนื่อยไม่สมประสงค์พูดมากก็เหนื่อยไม่สมประสงค์นึกคิดมากก็เหนื่อยไม่สมประสงค์นะา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 ปฏิเสธกัหมดเลยที่สมมติว่าตัวเราตัวเราถูกรบแล้วเลยที่แค่เขาเขียนอ่ะคนนั้นคนนี้อันนั้นอันนี้ถูกถูกรบนี้เหมือนเราถูกรบอาหารเราทบเราเราลบอุจจาระมาเป็นอาหารอันนี้เราเราลบอาหารมาเป็นอุจจาระ อุจจาระขี้มันมาจากไหนขี้ขี้มันก็มาจากกินตายมันมาจากเกิดนั่นถ้าไม่มีเกิดก็ไม่ไมีตายเพราะฉะนั้นจริงว่าชาติเป็นทุกขา์ามอันนี้ก็เป็นทุกข์เพียงเลย เกิดเป็นพระอินทร์พระพรมพระยมพระกาเจะตัวโล ก, กบาลทั้งสี่หรือมรดโลกเทวโลกพมโลกมันเป็นสุขท่านก็ไม่ได้ยืนยันไว้ในคำพีรไรยืนยันแต่เพียงว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งตัดขาดเลยยืนยันคำนี้ ที่ยืนยันมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นพรมนั่นไม่ได้ยืนยันพูดตามท้าไรเฉยๆผลชุดท้ายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติตกอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเสียแล้วไม่กีดังยังยืนสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงอยู่ในอำนาจอนิจจังสิ่งนั่นก็เป็นทุกข์นั่นนั่น น, นัถ้าภาวนาดีก็ต้องไปเห็นสวรรค์สิก็ด้านปัญญาเขาเห็นอยู่แล้วไม่ใช่ด้านชานปัญญายปริสุชติปัญญาโลคสิมิปัจโชตูแสงสว่างเสมอ่วยปัญญา ม, มีแสงสว่างพิจณาถึงแล้วเมื่อเห็นอันนี้จังชัด ก็เห็นไตโลกทธาตุชัดหมดแล้วสิ่งนั้นที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็ไตโลกรธาตุมันเป็นทุกข์หมดนั่นถ้าไตาโลกรธาตุเป็นสุขเท่ า, มาเม็ดงาพระทหันก็ไ ม, ไ ม, ม, ไ ม, ม่ไม่มีประตูที่จะเบื่อนายก็ต้องวิญญาณไปที่ต้นที่ก็ต้องไปแย่งเป็นเปรต เ, เท่าอยู่ที่นั่นเท่าไม่งาอันนี้มันไม่มีความสุขเท่าเม็ดงาเลย เหตุฉะนนพระอรหันต์จึงยอมข้ามความหลงของตนไปเสียข้ามโลกก็คือข้ามความหลงทั้งปวงของตนนั่นเองไปข้ามในปัจจุบันนั่นเองที่กําลังเห็นอยู่นั่นในเป้าปัจจุบันเป้าอะไรก็าตามมันมารวมที่ปัจจุบันนั่นเองถ้าข้ามโลกปัจจุบันได้โลกอดีตโลกอนาคต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 ไม่ตลอดพุ่งลุกไม่ตลอดพื้น่าตามก็ภาวนาเพื่อจะเบื่อหายความหลงของตนทั้งนั้นศีลตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมัน่นลงในปัจจุบันปัญารอบรูในปัจจุบันศีลตัดศีลลงในลมหายใจเข้าหายใจออก สมาธิตั้งมั่นในลมหายใจเข้าหายใจออกปัญญารอบรู้ในลมหายใจเข้ า, าใจออกแปดหมื่นเชื่อก็ทกำมาขันมารวงอยนั่นหมดลมก็คือกายกายก็คือลมลมก็คือเวทนาเวทนาก็คือลมโลหนันหานลงมาที่นั้น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 ไม่จำเป็นจะสงสัยว่าธาตุดินประเทศอื่นจะเป็นอย่างอื่นก็คือธาตุดินเป็นลักษณะของแข็งเหมือนกันนั่นน้าไฟลมก็อันเดียวกันมีลักษณะซึมซาบดินมีลักษณะเป็นของแข็งไฟมีลักษณะร้นรอนลมมีลักษณะพัดไปมา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 มีนาที่ของใครเขามันก็เก้าอี้ของครเขามันอยู่อย่างนั้นเก้าอี้ที่ไม่เกิดไม่ดับก็ทรงอยู่่นั้นเก้าอี้ที่เกดที่ดับก็ทรงอยู่างนั้นสมมติเนี่ยสมมติเป็นบุคราธิสานเนี่ยเธอจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของบุคคลผู้ท่องเที่ยวในวตารสองศารไม่เป็นหน้าที่ของบุคคลผู้ที่พ้นไปแล้ว ผู้ที่เข้าสู่อนุปาทิเสสานิปาแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ที่มาหลงอยู่ในวัฏสงสารมัฏฐะแปลวความหมุนเวียนก็หลงอยู่ที่ใจไม่ได้หลงที่อื่นถ้าไม่หลงใจอันอื่นก็ไม่หลงถ้าไม่หลงมาใจเป็นตนตนเป็นใจอันอื่นก็ไม่หลงถ้าหลงมาใจเป็นตนตนเป็นใจก็หลงอยู่ตะพึ้ ใจเป็นจะสักว่าใจไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิตตาลพัฒนาพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี่ก็สักว่ากายไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุพัฒนาพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนาโนภาธน า, นธนาพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ปภาษาพว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตาโนภาธนาพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศล ที่บงังกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี่ก็สักว่าทาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงทามานุปัตนาเท่านั้นเพื่อทําลายอุ ป, ปาทานข่มยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าเราเป็นกายกายเป็นเรา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 ฉะนั้นพระบรมศาสตร์พวกเราเขียนมามากแล้วจึงพาบีบถอนตะปูขึ้นทางเก่าที่มันตีลงไปถ้าถอนทะลุมันไม่ไปนอต ก, ก็เหมือนกันต้องถอนพื้นลิ่มก็เหมือนกันลิ่มที่เขาตีสลักก็ต้องถอนคื้น แห้ถอนจะลุไม่ได้เราหลงไปเท่าไรก็ต้องถอนคืนเท่านั้นก็ยิ่งไปก็ยิ่งหลงถอนคืนเรียกว่จจากูลปจิณสคู่ถอนความหลงคืนเมื่อรู้เท่าแล้วมันถอนเองความเกิดความดับเหมือนกันไม่ใช่เราไปแต่งไห่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่ก่อนแล้วเรารู้ตามเป็นจริงซะนั่น ความเปื่อยความเน่าก็ไม่ใช่เราจะไปะแต่งมันมันเป็นอยู่ก่อนเราแล้ ว, ลวให้เราลู้ตามเป็นจริงซะนั่นลู่ตามเป็นจริงเพื่อแก้ตัวเรามาให้ไม่ให้หลงแก้ตัวผู้หลงให้เป็นผู้ฉลาดนอกกากปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะมาแก้โง่เลย โง่ก็คือหลงนั่นเองหลงก็คือโง่นั่นเองถ้าแก้โง่ตัวเดียวแก้หลงตัวเดียวให้มันเสร็จหมดแล้วลาค้กับโทรศัมันก็หายไปเองมันถ้าไม่หลงมันก็ไม่โลคถ้าไม่หลงมันก็ไม่โกรธนะมันโลคทําไมมันโกรธทาไมก็มันเพราะมันหลงในชั้นทั้งท่านหยากชัานละเอียดด้วย สิ่งไหนที่ไม่ได้ไม่ได้สมประสงค์มันมันเข้าใจว่าเป็นของมันมันก็โกรธที่จะว่ายังไงสิสิ่งไหนที่มันเป็นที่สบามันก็ติดอยู่เพราะมันยึดมั่นว่ามันเป็นของมันเนีย่ยเมื่อเราก็มีเขาก็มีเลยของกูก็มีของมึงก็มีก็ทะเลาะกันในโลกอะไ น, นี้ แค่นั้นท่านจงพิจารณาเป็นธาตุมดแก้ความหลงของตนหนีจากความหลงของตนข้ามโลกก็คือข้ามจากความหลงของตนนายตาซันายหูซั น, นายเล่นซักนายคายซันายใจซัใจก็สอนให้หนายเหมือนกัน ยืนยันว่าใจเป็นตนตนเปใจมันก็ผิดอีกเหมือนกันใครมาต้องใจมันก็มีมารณ์ทิฏฐิอีกเหมือนกันนั่นเราศาสดาสูช่างลายสูไม่ทําใจเหมือนดินก็ไม่พ้นไปได้ไม่ทําใจเหมือนน้ําก็ไม่พ้นไปได้ไม่ทําใจเหมือนไฟก็พ้นไปไม่ได้ไม่ทําใจเหมือนลมก็พ้นไปไม่ได้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 น้ำเขาเอาไปต้มมันก็ไม่ผูกเวรผูกใครใครเขาไปขี้ใส่มันก็ไม่ผูกเวนผูกใครใครผูกเวรผูกภัยภผูกเวรผูกภัของไาเขาจะไปทำยังไงมันก็ไม่ผูกเวรผูกภครกับใครไปเขาไปเอา เขาเหม็นเหม็นมันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยกับใครเขาเอาไปดับน้ํามันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยกับใครเขาเอาไปเผา <Wei. S 1> <ead in. S 2> เอาไปให้ไม่ฟืนมันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยกับใครเอาไปหุงไปต้มมันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยกับใครเขาไปแก้วใส่มันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยกับใครน้ำที่ เขาเาร่างอุจระ ม, ม, ร ม, มันก็ไม่ผูกเวีนผูกพายเั้ใครเขาไปดื่มมันก็ไม่ผูกเวีนผูกพัยเข้าไปและเขามันก็มาให้คะแนนใครอีกด้วย น, น่และเขมันก็ไม่วางเฉยอีกด้วยนั่นอันอื่นก็เหมือนกันถ้าเธอทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นเธอทั้งหลายจะมาเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารอีกนั่นพระบรมสารีรเก้า็บปวดไหล่ะ คำว่าเกิดได้ที่นี่ <c oughs> ก็หมายแต่เกิดพุทธโลกว่าเทวโลคว่าสวรรค์ว่ามนุษย์ว่ารับตว์เดรัจานว่านี่สิ่งที่มีวิญญาณฟองเสียงเรียกว่าเกิดชาติพิทุขาคำเยอะนะ ถูกมดทังไตโลกระทาตุต้มเลยเพายราะไตโลกระธาจะไปโดยชาสั์เสือส่อบักคานสั์ไห้ในาน้ำดำในดินบินในอากาศตลอดถึงมนุษย์สีเท่าสองเท่าสารพัดมีชาติท่างนั้นชาที่มีทุกขาถูกมัดเลยถูกไตโลกระธาเลยถูกทั้งเทวโลกอมโลกเลย เหตฉะนั้นธรรมจักรกเปรวตตนาสูตรจรึงว่าคนตาบอดอาจแลเห็นคนหัวหนวกอาจได้ยินหน้าต่างที่ปิดอยู่ก็เปิดคนหลังค่อมก็หลังตรงคนตาบอดก็แลเห็นคนหัวหวกก็ได้ยินก็เห็นไดเพราะคนตาบอดหัวหนวกมันก็มีเกิด มีเก๋มีเก็บมีตายเหมือนกันมันก็ต้องถูกหมดสินั่นเ ท, เทวบุตรเทวดาอยนพรมก็มีเกิดส่วนพระหันไม่มีเกิดเชื่อแล้วเมื่อไม่มีเกิดตายก็ไม่มีประตูจะมาอีกถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิ ก็ศูนย์แต่แม่มาเกิดมาแก่มาเ ก, ม า, เ ก, ม, าเกมาตายรสชาติของธรรมะที่เป็นพระหรหัสนั้นมีอยู่รสชาติของพระนิพพานนั้นมีอยู่ใครเป็นผู้ไปเสวยก็พระนิพพานไปเสวยพระนิพพานใครเสวยตาบอดก็คนตาบอดเสวยตาบอดคนตาดีเขาไม่เสวย จิตไปเสวยพรนิพพานหรือพระนิพพานไปเสวยจิตคิดก็ต้องเสวยคิดสิพรนิพพานก็ต้องสวยพรนิพพานไปแย่งหน้าที่กันทําไมทุกก็ต้องสวยทุกสิสุขก็ต้องสวยสุขไปแย่งทุกทําไมไปแย่งสุขทําไมมันทําการคนละหน้าที่แล้วเนี่ยโรคก็ไปแย่งพระนิพพานไม่ได้นอกจากแค่เบื่อนหน่ายแล้ว ลาหนีแนะ่พระนิพพานก็อยากได้โลกก็อยากได้นะ <c oughs> ก็ยังไปพระนิพพานไม่ได้เพราะโลกมันติดอยู่ใครก็เหมือนกันพระนิพพานก็แปลว่าดับเพลินในวัฏสงสารถ้าไม่ดับเพลินในวัฏสงสารประตูพระนิพพานก็ไม่เปิดนะเพลินในวัฏสงสารกระเพิลในเก๋ในเก็บในตาย กัปเพลินในโลภในโกรธในหลงก็มีความหมายอันเดียวกันกัปเพลินในกินในขี้ก็มีความหมายอันเดียวกันกัปเพลินในยืนเดินนั่งนอนก็มีความหมายอันเดียวกันแล้วท่านบอกว่าสุบุรีกินหมากปัญญาเสพติดหนวง ป, ปุ่ศรีเขาตอบว่าถ้าอย่างนั้นข้าวก็อยากกินมัเป็นปัญญาเสพติดท่านว่า ยืนเดินนั่งนอนบัญญาเสพจิตเท่านั้นใส่เลื่อนใส่เลื่อนเนี่ก๊กใส่เลื่อนไม่ใช่พายลมหรอกกรกโมจีใส่เลือเล่อนนะนะแล้วก็มไม่ได้ปวดหรอก น, นะพ ร, ระห้พระหาบ้า น, นนางมานอนให้ ไปพักที่นั่งที่นอนภาวนาให้ดีภาวนาให้ดีภาวนาให้ ด, ภหดีภาวนาไปให้ดี <c oughs> ไปให้พ้นไปให้พ้นแล้วให้เขาเอาไปขายเมืองญี่ปุ่นเดี๋ยวรับแขกไม่ไหว <c oughs> ไปให้พ้นร <c oughs> ับแขกไม่ไหว บอ ก, ขอบอกอเขาพอลรเมิิทธหาเน้อไม่เสียดายอยากเล่นอบายมุกเน้อไม่เสียดายอยากจระถือศาสตาอื่นเน้อไม่เสียดายจากพวกอยากจะ พ, พระพุทธพโมจันเพื่อวัตถุนิยมเน้อพระเทวราวันไม่ พ, พระพุทธพโมจันเพื่อวัตถุนิยมพระพุทธพโมจันเพื่ออุดมคติ คือพระนิพพานเป็นชิวอนุดทตาย้คิวของพระโสดาบันก็คือพระนิพพานคิวของโลกี้องอยางถึงมนุษย์สมบัติสวันสมบัติ ผูมิสมบัติจึงนิพพานสมบัติไปลลังส่วนคิวาพระพุะธวตาวร์ยังถึงนิพพานสมบัติทีเดียวเลยภูมิพระพุะธวตาวันแต่ก่อนท่านยังไม่เป็นพระพุทธวตาร์ท่านก็ยังถึงคิวมนุษย์สมบัติสวรร์สมบัติผูมสมบัตินิพพานสมบัติเป็นหลัเมื่อท่านสําเร็จพระพุทวตาร์แล้วท่านก็ยัง ถึงคิวตั้งแต่นิพพานสมบัติเพียงเดียวเพราะท่านเห็นคุณแล้วทั้งหมดพวกนี้แล้วเต็มภูมิเมื่อยังไม่ถึงว่าสวรรันจำเป็นก็ต้องอยังถึงเมรุสสมบัติสวรรสมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติเป็นระดับไป เมื่อถึงว่าสดาบันแล้วแตอยางไม่ผ่านสบัตดสิ่งเดียวเลยเพราะเหตุใดอ้เราไปกรุงเทพแล้วนี่ขอให้ข้าพระเจ้าผ่านโคราชขอให้ข้าพระเจ้าได้ผ่าน อายุทยาหรือข้ามภูเขาไปสระบรุรีแล้วไปอยุทยาแล้วจนเข้ากรุงเทพเถอะไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเมื่อปาเมื่อต้องการไปกรุงเทพเราบรรพานเองมันหขนทางมันไปนั้นเราต้องป า, าัฒนาเสร็จแล้ต้องการเกาหัวอย่างนี้เหรอเนี่ยเพราะให้ผ่านร่างกายนี่มาเถิดเราไม่ได้พัฒนาถูกไหม พพเพื่อพึ่งพรมากันเพื่อพ้นทุกขนว่าตท้องสารปัญหาไม่มากปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นว่าตท้งสารเกรงจะไม่ได้กินเท่าท่านเกรงจะไม่ได้นอนเท่าท่านได้รับเท่าท่านเกรงจะไม่มีผู้รับถือเท่าท่านเกรงว่าจะไม่มีราภมิยศเกรงว่าพระธรรมจะพาตายเพราะเหตุใด เพราะความเชื่อทาไม่พอสร้างปัญหาใส่ตัวเกรงว่าจะไม่มีผู้รับถือรือดีเห๋านี่เป็นต้พนพวนาฝืดแบบนี้ถ้าไม่เกิก็นาแบบนี้ฝืดมากเหมือนดึงขาเต่าดึงแล้วมันก็ตบขึ้นเลย จักไม่ดึงค้าเต่าไปดึงเล่นไหมหรืออย่างหรือไม่อยา่างนั้นเหมือนดึงสายยางติ๊กมันหดพืน